ชอบแข่งหรือชอบอวดเบงมีผลกรรมอย่างไรถามต้องการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนตามหลักการที่เหมาะสมแต่บางครั้งไปเจอของใช้ดีๆหรือเจอโอกาสงามๆก็อยากเอามาบอกต่อให้เพื่อนๆรู้แต่ก็เหมือนไปทำให้พวกเขาเกิดกิเลสอยากมีอย่างเราบ้างหรืออาจบ่นไส้ไปเลยอยากทราบว่าจะยากยะอย่างไรเอาอะไรตัดสินว่าเจตนาดี หรือมีความอยากโอ้อวดกันแน่เพราะมันปนปนกันจนแยกยากตอบการบอกต่อให้ผู้อื่นได้ดีตามหรือได้เป็นอยู่ดีขึ้นหรือมีของใช้สอยดีขึ้นเรียกว่าให้ความรู้กับเขาเป็นทานการทำทานที่ถูกคือทำด้วยจิตอนุเคราะห์ไม่ใช่เป็นไปเพื่อการแข่งขัน ไม่ใช่เป็นไปเพื่อให้เขาเห็นว่าเรามีดีกว่าไม่ใช่บอกเพียงเพื่อให้เขารู้ว่าเรารู้ที่จะแยกแยะได้อย่างชัดเจนขอให้คุณลองแบ่งอาการของจิตออกเป็นสามช่วง 1. ก่อนบอกต่อคือคุณมีของดีแล้วหรือไปเห็นของดีแล้วเกิดน้ำใจคิดบอกต่อด้วยความบริสุทธิ์ใจเพียงใดหากมีความบริสุทธิ์ใจแล้วจะเกิดปีติ เกิดความเบาเกิดกระทั่งมีใจอยากยิ้มเพราะธรรมชาติของจิตคิดอนุเคราะห์นั้นมีลักษณะเป็นเมตตากรุณาผลของเมตตากรุณาอันบริสุทธ์แท้จริงจะได้แก่จิตทันทีคือเบิกบานอิ่มใจเหมือนเกิดรอยยิ้มจากภายในส่งแผ่ออกไปภายนอก 2. ขณะบอกต่อ คือคุณกำลังเอาของมาล่อตาเขาอาจจะแค่วางหนังสือเล่มโปรดไว้บนโต๊ะทำงานให้คนผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วสะดุดหรือไม่คุณก็พูดเข้าหูเขาโดยตรงอาจสาธยายกระตุ้นความสนใจด้วยวิธีพูดในแบบของคุณหากขณะนั้นยังมีความเบาใจมีปิติสุขเหมือนกับหรือยิ่งกว่าก่อนหน้านี้ที่ตั้งใจบอกต่อก็แปลว่าเมตตากรุณาของคุณยังอยู่ดี ไม่ถูกแทรกแซงด้วยกิเลสประเภทอย่างให้ใครอิจฉา 3. หลังบอกต่อคือเขาเกิดติดใจแล้วเกิดการวิพากวิจาร์ขึ้นแล้วหรือเกิดความอยากได้อยากมีกันแล้วหากคุณทราบเช่นนั้นแล้วปราบเลื่อมยินดีและยังนึกพอใจที่เพื่อนหรือกลุ่มคนจะขวนขวายหาของดีมาใช้บ้างก็แปลว่า กระแสะเมตตากรุณาของคุณต่อติดตลอดสายครบวงจรโดยไม่มีข้อหน้าติติงใดๆเลยคุณเองจะรู้อยู่แก่ใจอันเป็นภายในว่าก่อนบอกต่อขณะบอกต่อและหลังบอกต่อนั้นมีความทยานอยากมีความทุรนทุรายมีความปรารถนาจะเป็นที่อิจฉาของบรรดาเพื่อนฝูงหรือไม่ อาการดังกล่าวจะแสดงตัวเป็นความเร่าร้อนกระวนกระวายหรือทึบหนักไม่เป็นสุขแต่ความเร่าร้อนกระวนกระวายก็อาจปรากฏเป็นของน่ายินดีเพียงเพราะคุณเกิดโสมนัสที่ได้เหนือคนอื่นวิธีที่จะดูแยกแยะตลอดจนเห็นน้ำจิตน้ำใจตนเองตลอดสายคือคอยสอดส่องเปรียบเทียบว่าขณะนั้นกายร้อนหรือเย็น กายเกรงหรือผ่อนคลายสายตากระเฮียนกระหือรือหรือทอดอ่อนสงบนิ่งจิตใจมีความซัดายทึบหนักหรือว่าซื่อตรงโปร่งสบายฝึกเห็นฝึกเทียบฝึกทันแล้วคุณจะรู้จักตัวเองไปเรื่อยๆจิตจะฉลาดเลือกภาวะที่ดีกว่าในที่สุดถาม บางทีผมเห็นหมู่เยาวชนส่วนหนึ่งชอบโอ้อวดประชันกันด้วยรูปสมบัติทรัพสมบัติหากโอ้อวดในลักษณะนี้แล้วทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์มีความเร่าร้อนใจจะต้องได้รับผลกรรมอย่างไรบ้างแตกต่างจากการโอ้อวดโดยมีจตนาประชันว่าใครเหนือกว่าใครอย่างไรครับต่อ ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างวังวนของการแข่งได้แข่งดีแข่งมีแข่งเป็นคนเราเห็นอะไรเป็นเรื่องน่านิยมน่าสนุกน่าติดใจก็เท่ากับเอาตัวเข้าไปดดนจองจาในโลกของความเป็นเช่นนั้นแล้วการแข่งประชันย่อมนํามาซึ่งความรู้สึกไม่เป็นมิตรรู้สึกขมเอนเข็นเคียวตลอดจนรู้สึกมันไส้ได้แบบไม่ต้องมีเหตุผล คือเห็นคนชอบแข็งได้แข็งดีประเภทเดียวกันแล้วไม่ถูกชะตาโดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องจองเวรกันมาแต่ปางไหนนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนเจอกันแล้วไม่ชอบหน้าเอาซะเลยแต่คบคบกันจริงๆกลับรู้สึกดีถูกอัทยาศัยกันและมีแต่เหตุการณ์ดีๆร่วมกันนั่นก็เพราะกรรมสัมพันธ์เดิมๆนั้นดีอยู่ เพียงแต่ถูกบดบังไว้ด้วยเงากรรมอันเกิดจากความคิดแข็งได้แข็งดีในชาตินี้เท่านั้นหรือไม่บางคนผิวนอกชอบคุยโมแ้แต่จิตใจมีเมตตาดีอันนี้โดยรวมก็อาจเป็นที่รักได้มากกว่าถูกชังในระยะยาวหากเป็นพวกชอบอวดในลนักษณะยกตนข่มท่านอันนี้จะมีผลหนักหน่อยผลของการยกตนข่มท่าน จะมีส่วนให้เป็นผู้มีอายุไขสัน้นมีส่วนให้เป็นผู้มีผิวพรรณวันะไม่น่าชมมีส่วนให้เป็นผู้มีความสุขน้อยกว่าที่ควรและมีส่วนให้เป็นผู้มีอำนาจในตัวน้อยตรงข้ามกับผู้อ่อนน้อมถ่อมตนให้เกียรติผู้อื่นไม่คิดย่ำยีน้ำใจใครด้วยอำนาจในมืออย่างนี้จะมีส่วนให้เป็นผู้มีอายุยืนยาวมีส่วนให้เป็นผู้มีผิวพรรณวันะงาม มีส่วนให้เป็นผู้มีความสุขและมีส่วนให้เป็นผู้มีอำนาจวาสนาไม่น้อยหน้าคนอื่นบางทีคุณอาจสงสัยว่าทำไมพวกชอบก้าวร้าวสาราคําหยาบวางอำนาจบาดใหญ่เป็นปกติจึงเป็นผู้มีกําลังมีอำนาจมีวาสนาได้อันนั้นขอให้ทราบเถอะว่าอานาจทุกชนิดไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยบังเอิญและจะถูกทาลาย หรือตัดรอนลงก็ด้วยความไม่บังเอิญเช่นกันบางคนแข็งแรงห้าวหาดด้วยกรรมดีชนิดอื่นเช่นเคยเป็นผู้มีความคิดช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองภัยให้ผู้ได้กาลังเป็นนิดแต่ความแข็งแรงห้าวหาดในชาติปัจจุบันอาจทำให้เหลืองลำพองชอบวางกล้ามชอบขม่มขู่ชอบเกทับคนอื่นเพื่อความสะใจในอิทธิพลแห่งตนอันนั้นแหละตัวตัดรอนอานาจในตน วิบากจะเหวี่ยงเขาไปสู่ความเป็นขั้วตรงข้ามคือเกิดใหม่จะถูกข่มเหงจะถูกกดขี่จะถูกย่ำยีให้รู้สึกต่ำต้อยด้วยประการต่างๆได้ชั่วนาตาปีซึ่งรากของนิสัยเสี ย, สยก็มาจากความคิดอยากโอ้อวดโดยปราศจากเมตตาการณุณนี้เองครับ